ามคนที่เกิดขึ้นในโลกมากขึ้นทุกปีทุกปีอยากทราบว่าวิญญาณมาจากไหนอันนี้สงสัยกันมานานแล้วถ้ามองในแง่หนึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของความขยายตัวและยุบตัวในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งที่สั้นๆในอนันตการของอนันตจักรวาลเดี๋ยวสัตว์ประเภทนี้มากขึ้นที่นี่ ลดลงที่โนนสัตว์ประเภทโนนขยายที่โนนหดลงที่นี่สำหรับคนนี้ขยายออกไปก็คงจะไม่เกินแสนล้านในโลกนี้เมื่อเพิ่มไปถึงจุดหนึ่งก็ต้องมีเหตุให้ลดถ้ามองในแง่ของสรรพสัตว์ในอนันตจักรวาลก็ถือว่าเป็นการขยายไปด้านหนึ่งหดอีกด้านหนึ่งโป่งไปด้านหนึ่งยุบอีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรมาก หมายเหตุผู้อ่านคือจักรวาล น, นี้กว้างใหญ่มหาศาลยังมีพบภูมิอีกมากมายที่อยู่ในจักรวาล น, นี้ซึ่งการเพิ่มของมนุษย์นั้นก็เป็นชีวิตจากโลกอื่นพบอื่นที่รวมแล้วมีมากมายกว่าประชากรในโลกมนุษย์หลายล้านเท่านะครับ